วันนี้เป็นวันที่ยีสิบสองกันยายนที่นี่สำนักโมกขวนารามจังหวัดขอนแก่นตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองได้มีการเปิดอบรมกรรมฐานหรืออบรมธรรมะ แต่ผู้สนใจในทางปฏิบัติคำว่าเปิดอบรมหรือว่ามีการสนทนาธรรมะกันอบรมธรรมะกันนั้นก็เปิดโอกาสให้ถามได้และก็มีข้อแนะนวซีทางในการปฏิบัติตามพัฒนาความเห็นความรู้ความเข้าใจ แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันสำหรับผม <c oughs> จะให้ข้อคิดวันนี้คือผมได้ทดลองมาในการปฏิบัติธรรม <c oughs> ที่แรกผมเคยบวชเป็นเนมอายุสิบเอ็ดกว่าปีได้ทำกรรมฐานมากับครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ต้องนั่งขัดสมาธิเรียกขุทมาตนั่นเอง แล้วก็ให้หลับตาแต่ไม่ให้หลับสนิทแต่ให้หลับพอเป็นสีเหลืองเหลืองดูเป็นสีเหลืองเหลืองท่านสอนอย่างนั้นเวลาหายใจเข้ามีความภาวานาเรียกว่าพุทธเวลาหายใจออกมีความภาวานาเรียกว่าโทพูดง่ายๆก็เรียกว่าพุทโทว่าอย่างนั้นเองเดินจมกลมทั้งกองให้พูดอย่างนั้น วิธีนี้ผมทำในหลักษณะเมื่อผมเป็นเนนอยู่ปีหกเดือนผมทำมาระยะนั้นไม่มีผมรู้แต่มีความสงบเล็กน้อยก็ถือว่าดีแต่ผมยังไม่เข้าใจในหลักพุทธศาสนาพอเรื่องบาป บ, บุญนรกสวรรค์นี่ผมยังมีความสงสัยไม่เข้าใจยิธีเทวดาเหล่านี้ผมก็ไม่เข้าใจ ในขณะนั้นผมได้เรียนคาถาหรือว่าไสยศาสตร์นั่นเองกับอาจารย์ที่ท่านสอนเพราะท่านมีคาถาเรื่องไสยศาสตร์มานอกจากนั้นผมได้มาทําสัมมา阿拉หังท่านัดสัมมา阿拉หังหรือ阿拉หังเนี่ยนี่ก็ทํามาวิธีเหล่านี้การนั่งการเดินเหมือนกันแต่วิธีนั้น ผิดแต่คำพูดเท่านั้นวิธีเหมือนกันนั่งสมาธิหลับตาแต่ไม่ให้หลับสนิทหลับพอให้เป็นสีเหลืองเหลืองดูสีเหลืองเหลืองว่าอย่างนั้นแนี่ไม่ถนัดนอกจากนั้นมามีอาจารย์อีกคนหนึ่งเดินทางมาจากเสียงใหม่มาพูดให้ผมฟังนันขึ้นไม้จะขึ้นตายทีเดียวไม่ได้ ท่านก็เลยมาสอนให้ขึ้นไม้ต้องขึ้นไปเจ ต, ต, ต้นต้นขึ้นไปแต่โคนต้นนี่แหละจึงจะไปถึงไปลายได้ท่านสอนอย่างนั้นท่านก็เลยมาสอนวิธีขึ้นไม้ขึ้นต้นขึ้นโคนมันท่านก็มาสอนให้วิธีนักหนึ่งสองสามเหมือนกันแต่ให้นั่งหลับตาท่านสอนอย่างนี้<ม>เวลาหายใจเข้าหนเวลาหายใจออกสองถึงสิบ เมื่อถึงสิบแล้ ว, ว่าให้นับย่อจากสิบลงมาเก้าแปดเจ็ลงมาถึง1่งเหมือนเดิมอันนี้ผมก็ทำมาและท่านยังสอนให้นับหนึ่งถึงยี่สิบนับตั้งแต่ยี่สิบลงมาถึงหนึ่งเหมือนเดิมแต่ท่านยังพูดอีกเป็นในเอาไว้ว่ามันขังอีกด้วยเมื่อมีมมีพา้าลึก อ, อะไรมา สำแหลเนื้อเรามันถูกเนื้อเรามันเข้าเลือดเราออกท่านยังบอกว่าขั้นใจนับเอานึงสองสามไปถึงสิบกัดไปกัดมาเป็นมนขังเป้าแล้วมันจะขัดเลือดได้ท่านสอนอย่างนี้และเวลาเดินเข้าไปในป่าลึกนี่ว่าที่มันเข็ดมันขวางอะไรท่านว่ามันมีผีอะไรต่างๆเหล่านั้น มันก็สอนให้เวลาเราจะนอนเอาหีนเอาเม็ดทรายอะไรข้นขวดอะไรเนี่ยมาเสกกั้นใจแล้วก็นับหนึ่งสองสามถึงยี่สิบนับตั้งแต่ยี่สิบลงมาถึงหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็เอาหีนเอาทรายแล้วหนี่ยล้อมตัวไว้ผีมันขยาดผีมันกลัวท่านตอนอย่างนั้นวิธีนี้ผมทำมานานพอสมควรแต่ก็ยังไม่เกิดปัญญา นอกจากนั้นผมได้เดินทางมาที่จังหวัดอุดรมาเที่ยวมาธุระต่างๆนี่แหละผมเลยได้วิธีของยุคท่านอาจารย์หาวิธีท่านมีวิธีมีหนังสือก็เป็นนั่งสมาธิเหมือนกันเหล่านี้เวลาหายใจเข้าก็พองเวลาหายใจออกก็ยุบเดินไปถ้าก็มีจังหวะท่านว่าฌาน เมื่อคนใดทําได้อย่างนี้ท่านเขาเรียกว่าได้ฌานแต่ความจริงมันพูดเอาเองเรื่องนี้ผมทํามาเวลาเดินจงกรมท่านก็ยกส้นกท่นานกบว่ายกส้นหนอยกหนอไปหนอลงลงหนอผูกหนอกดห น, ทนอ ท, นท่านสอนทนะีแรกท่านสอนเน่ยซ้ายย่างหนอขัวย่างหนออันนี้ทําไปตามลําดับท่านเลยเมื่อทําอันนี้สํานานแล้วท่านก็บอกยกส้นหนอ ยกหนอไปหนอลงหนอถูกนกปลดหนออันนี้ท่านสอนผมก็ทำมาวิธีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องลมหายใจทั้งหมดเลยแต่ว่าวิธีต่างกันแต่จุดหมายปลายทางคือเอาลมหายใจนั่นเองเป็นอารมณ์นอกจากนั้นผมได้ทาเรื่องอาณาปานสติคาว่าอาณาปานสตินี้ เวลาหายใจเข้าให้รู้จักว่าหายใจเข้าหายใจออกให้รู้จักว่าหายใจออกท่านสอนอย่างนี้และสอนให้รู้จักว่าเข้าสั้นออกยาวอีกแถมเข้าไปและถ้ายัางสอนแถมเข้าไปว่าลมหยาบลมละเอียดให้รู้จักท่านสอนอย่างนี้แต่วิธีนั้นเป็นวิธีที่นั่งหลับตาเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ผมทำมาเป็นเวลา นานพอสมควรแต่ได้ความสงบเมื่อทำไปนานๆมันจิตใจมันสงบมันดูลมหายใจไม่ทันเมื่อลมหายใจมันละเอียดเข้าละเอียดเข้ามันก็เลยหลงหลงต้นลมหายใจหลงปลายลมหายใจคำว่าหลงนี้ภาษาบ้านเราก็เรียกว่าหลงภาษาธรรมะก็เรียกว่าโมหะคือโมหะแต่ว่าหลง เมื่อหลงมันก็เลยจิตใจมันก็เลยสงบจัดพูดว่ารู้สึกก็ได้ไม่รู้สึกก็ได้ก็เลยโตก็เลยแข็งนั่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยบัด น, นี้อาจารย์ต่างๆก็เรียกว่าได้ฌานอันนี้ก็จริงโดยที่ยังไม่รู้จักผมเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่แรกเมื่อผมทำเมื่อได้ความสงบอย่างนี้ผมก็นึกในใจว่าเราดีแล้วเนี่ยเข้าใจอย่างนั้น วิธีอย่างนี้ผมทํามานานพอสมควรไม่เกิดปัญญามีความสงสัยตายแล้วเกิดไหมตายแล้วไปตกนรกไหมตายแล้วไปสวรรค์ไหมตายแล้วไปนิพพานไหมทําบุญทําทานเป็นยังไงผมมีความสงสัยผีมีไหมผมมีความสงสัยอย่างนั้นแต่เดี๋ย ว, ว่ายังมีทุกข์อยู่นั่นเองแต่เมื่อมีคนใดมาพูด ความพอใจก็มีไม่พอใจก็มีเป็นธรรมดาของพุทธชนอย่างนี้แต่เรื่องให้ทานรักษาศีลนั้นผมไม่ต้องพูดเพราะว่าที่นี่เรามาที่นี่มาสนใจเรื่องวิธีปฏิบัติธรรมะเพื่อหาวิธีแก้ทุกข์ดังนั้นผมมาที่นี่ผมก็เลยมาพูดให้ตามทัศนะความเห็นผมรู้ผมเข้าใจของผมเอง แต่คนอื่นนั้นจะรู้ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบหรือจะเข้าใจไม่เข้าใจผมก็ไม่ทราบดังนั้นพวกท่านทั้งหลายกําลังนั่งฟังอยู่เดี่ยวนี้ในขณะนี้จะเป็นภิกษุสมณีนก็าตามหรือจะเป็นฆราว า, าสญาติโยมก็ตามเมื่อพูดถึงพระภิกษุสมเณีและฆราวาสนั้นต้องมีความเปรียบเทียบอุปมาให้ฟังสมมุติไม่ข้าว จะเป็นเม็ดข้าวเจ้าก็ตามเม็ดข้าวเหนียวก็ตามแต่ไม่ใช่เป็นพันเดียวกันนะข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวเป็นคนละพันแต่ข้าวเจ้าก็ให้เม็ดข้าวอ้วนเต็มสมบูรณ์ดีแก่ดีถ้าเป็นเม็ดข้าวเหนียวก็ให้เป็นเม็ดข้าวนั่งแก่ดีอ้วนดีเต็มดีเหมือนกันเอาไปพเพาะนี่เอาไปลงดินไปเพาะงอกเหมือนกันดังนั้นพระภิกษุสมณีนก็ฟังแล้วก็รู้เหมือนกัน เนคคารวาดญาตโยมฟังแล้วก็รู้เหมือนกันผู้มีสติปัญญาแต่เรื่องสติปัญญานั้นไม่เหมือนกันบางคนฟังเข้าใจทันทีบางคนฟังแล้วต้องมีวิจัยวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นอย่างนั้นดังนั้นวิธีที่ผมจะมานามาจะนามาเล่าสู่ฟังในวันนี้นั้นไม่กำหนดไม่จากัด คนรวยๆก็ปฏิบัติได้คนจนๆก็ปฏิบัติได้เขียนหนังสือเป็นก็ปฏิบัติได้เขียนหนังสือไม่เป็นเขาปฏิบัติได้ที่สุดจะถือศาสนาไหนก็าตามพูดภาษาอะไรก็าตามแต่พูดแล้วให้รู้เรื่องถ้าหากพูดไม่รู้เรื่องปฏิบัติไม่เข้าใจเพราะคำพูดของผมนั้นผมไม่ได้เป็นนักศึกษา พูดภาษาก็ไม่ทูกกับตัวอักษรของหนังสือเพียงพูดไปให้รู้เรื่องสำนวนเท่านั้นดังนั้นวิธีที่ผมมาใช้ในขณะนี้ผมไปปฏิบัติในระยะนั้นผมอายุ46ปีแต่ผมได้ฟังเทศจากอาจารย์คนหนึ่งเป็นเพื่อนกันท่านเป็นมหาปริียา5ประโยคท่านเคยทำกรรมาฐานเก่ง และผมก็รู้วิธีทำกรรมฐานของท่านเพราะผมก็เคยทำกรรมฐานมาท่านก็เลยพูดให้ผมในในระยะนั้นผมเป็นโยมที่ถ้าต้องการปฏิบัติธรรมะนั้นอย่าเพิ่งไปติดตำลาสัดแสงและก็จะถามคนอื่นนั้นไม่ได้ต้องปฏิบัติด้วยตนเองทานว่า ย, ยา่ังไงเพราะเป็นคนชอบกันดีผมก็เลยเป็นนึก พิจารณาปฏิบัติธรรมะอย่างไรเราก็ทํามาแล้วเป็นเวลานานแล้วเราก็ว่าเรารู้สมควรผมฟังเทศอนั้นไว้ประมาณสองปีครับรู้จักสองปีกว่าเนี่ผมฟังแล้วพิจารณาในตัวเองนี่เราทําบุญให้ฐานรักษาสิ่งทากรรมฐ า, านมาแล้วนี่จะมีเรื่องอะไรอีกตอนนี้ผมพิจารณาต่อมาเมื่อผมจะไปปฏิบัติแบบนี้ผมมีกําลังใจสักนิดหนึ่งครับ คือในขณะนั้นผมทำบุญทำบุญมหากรถินครับตามปกติคนทำบุญมหากรถินต้องมีหนังมีหมอลำมีเครื่องเรือมายั่วยวนนั่นเองครับจ้างมาให้คนมามาดูมาสมแล้วก็คนมาทำบุญด้วยเราการทำบุญต้องมีอะไรต่างๆสนุกสนานเข้าใจอย่างนี้ ตอนนั้นแม่บ้านตอนเศ้ามันแม่บ้านจะถามผมจะให้เงินค่าเขาเท่าไหร่ว่าอย่างี้ค่าหนังค่าหมอหลามจะให้เท่าไหร่เขาพูดเพียงแค่นั้นเองผมเกิดไม่พอใจขึ้นมาตึบในใจผมหนักน่วงในใจผมประมาณน้ำหนักจากร้อยกิโลครับมันท่วงจิตใจผมหนักลงพูดไม่ได้เอ๊ะทําไมเราทําบุญทําไมจิตใจเนา่าเหม็นเปียกแสะอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้ทันที ผมก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรก็แต่ผมไม่ได้พูดอะไรแต่หน้าตายิ้มได้ครับก็พูดกันได้ยิ้มยิ้นี่เลครับแต่ว่าใจมันยิ้มไม่ได้เรื่องนี้นี่แหละการทำบุญให้ทานรักษาศีลทมสมถะกรรมฐ า, านหรือจเจริญนิพพานก็ตามเมื่อยังมีความหลงผิดอยู่แล้วอันนั้นผมถือว่ายังไม่เข้าใจ ในหลักพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเรื่องนี้ตอนนี้ผมก็เลยพูดกันว่านั้นมอบให้เป็นธุระของบ้านผมไม่ว่าเจ้าว่าค่อยกันอย่างนี้ให้เจ้าจัดการแล้วทำไมมาถามอะไรอีกแล้วก็พูดอย่างนี้เขาก็เลยพูดว่าโอ้ก็ธรรมดาเขาเป็นเมียเป็นผัวเมียเขาก็ต้องถามที่ ผมก็เลยตอบเขาให้ไปไประจัดการให้มันแล้วเรียบร้อยเป็นหน้าที่ของเจ้าจะ ต, ต้องทำเอาให้ท่าไยก็ให้ไปผมก็พูดได้แต่ยิมยิ้ ม, มแก่ใจเป็นไม่ยิ้มครับใจมันหนักเหมือนกับเอาเหินมาท่วงคอผมร้อยกิโลนี่ทีเดียวครับนี่แหละผมคิดอันนั้นแหละมาทบตุ้นแม้ทําไมเราเขาพูดแค่นั้นทําไมจะไปเป็นอย่างนี้ผมนึกในใจตอนนั้นพอดี กินข้าวเซ้าแล้วก็ น, นํากระถินไปทอดไปถวายพระครั้งนั้นทํากระถินห้ากองนะครับวันนั้นนะเพราะมีคนมาหลายบ้านมาขอร้องเอากระถินจากผมไปพราะผมอยู่ในในคณะนั้นก็ผมก็ไม่ไม่ด้อยคนเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนรวยเนีบ้านใต้บ้านเหนือพี่พีน้องๆเมื่อไม่มีกระถิ่นก็มาลองขอจากผมให้ผมสักส่วนเอาเพื่อน แม่ป้าหน้าอาคนเฒ่าคนแก่ทําและไปถวายให้พระสงฆ์ได้เพราะผมพูดแล้วคนแก่แก่กอดเสื้อฟังหรือคนหนุ่มคนน้อยกอดเสื้อฟังเพราะผมพูดกับคนได้หลายระดับครับแต่ไม่ได้มีปัญญามากนะครับแต่ผมพูดจริงเพราะผมพูดจริงผมไม่เคยโกหกคนนี่คนก็เลยเสื้อถือมาตามปฏินินมของบ้านนอกครับ เมื่อเอากทถินนำพละวายพระแล้วตอนเย็นมาก็เลยมากินข้าวเรียกว่ากินข้าวเย็นกินข้าวเมื่อแรงครับก็เลยมาพูดกันเดียวผมในขณะนั้นผมมีลูกสองคนเนี่ยทำไมเจ้าพูดอย่างนั้นทำไมไปถามเขาก็ตอบเขาให้อีกทำไมถามอย่างนี้นจะผิดถูกอะไรเขาว่าอย่างนั้นก็ธรรมดาผัวเมียกันก็ต้องถามที่ปรึกษาไม่ได้ดีเขาก็พูดย้อนเขาให้ทุกที เมื่อผมตอบเขาไปทุกทีเขาย้อนเข้ามาให้ผมทุกทีผมเป็นข้างแพเขาทุกครั้งผลที่สุดผมจะหาเรื่องจะเอาชนะเขาอยู่แต่เขาก็มีปัญญาเหมือนกันเขาก็โยนให้ผมทุกทีทุกทีที่สุดผมก็เลยพูดแม้จะพูดอย่างนั้น่อยไม่พอใจเขาก็เลยพูดเข้าให้ผมว่าค่อยไม่รู้จักว่าเจ้าไม่พอใจเขาก็เลยพูดอย่างนั้นถ้าจะไม่พอใจก็เจ้ากระตกนรกสิเขาเลยพูดอย่างนี้ผมก็โอจริงแล้วผมก็เลยยอมแพ้เขา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 ผมผมขออภัยนี่ตอนนี้ผมมาพูดซ้ําอีกผมจนได้มาฟังธรรมะจากที่อาจารย์พูดให้ฟังว่าอายุเมื่อสี่สิบหกปีนี้ครับผมฟังธรรมะไปสองปีผมเล่กนกรรมฐ า, านมาตานานผมก็คิดว่าทางไหนไม่มีเสียแล้วก็ต้องไปหาพระองค์นี้อีกแล้วผมก็เลยกลับคืนไปหาพระองค์นั้นไปถามท่านก็เลยสอนให้ทําวิธีท่านสอนนั่นทั้งกว่าเป็นนั่งหลับตาเหมือนเดิมครับ ตอนนี้ผมไปแต่ผมก็พูดกันน้อยๆผมไม่ได้ไม่ได้ให้ความกระจางแจ้งกับผู้หญิงเท่าไหร่ครับผมจะไปเที่ยวผมกับอกอย่างนั้นจะไปที่ไหนผมก็เลยบอกว่าไปที่ไหนก็ไม่ไม่ทราบไม่ต้องถามเอารายละเอียดเท่าไหร่แล้วเขาก็รู้รู้สึกยังไงก็ไม่ทราบเขาก็เลยไม่ถามรายละเอียดเท่าไหร่เาก็เกียมของให้ผมได้กระเป๋าแล้วผมก็ไปเลยไปไปปฏิบัติธรรมแต่ผมไม่ได้พูดให้เขาฟังว่าจะไปปฏิบัติธรรม แต่ผมนึกในใจถ้าหากว่าผมเอาชนะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผมไม่กลับบ้านผมจะตายหน้าเรื่องลูกเรื่องเมียนี่ผมไม่วิตกกังวลผมจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ให้ได้ผมละอายในใจผมครับละอายในใจว่าหินนี้ผมละอายแก่ใจไม่มีครับนี่ผมไม่มีความละอายแก่ใจเรื่องนี้เพราะว่าละอายเพื่อนฝูงได้แต่จิตใจไปนไม่ละอายครับอันนี้แหละผมก็เลยไป เมื่อไปถึงท่านก็ให้ขอกรรมฐานสมทานศินแปดครับเรื่องสินแปดนี่ผมเคยสมทานมาตั้งแต่เมื่อผมเป็นหนุ่มครับในขณะนั้นผมไปปฏิบัติธรรมะคือไปปฏิบัติวัด ต, ตั้งใหม่ๆครับอยู่ทุ่งนาผมเลยไปซื้อกระทอมเขาเรือว่าดุงข้าวเขาไปจ้างคนดวนปลูกให้คนดวนเขาปลูกให้แล้วตรงกันเลยเข้าไปทํากรรมฐาน ตอนเข้าไปทํากรรมาฐานท่านก็ให้มีความข อ, อกรรมาฐานเมื่อขอกรรมาฐานพวกก็ทําข อ, อกรรมาฐานเหมือนที่ท่านสอนนั่นแหละขอมาเมื่อขอกรรมาฐานมาแล้วท่านให้มาภาวนาว่าตายตายอย่างเนี้ยหายใจข้อกว่าตายหายใจออกก็ว่าตายท่านสอนอย่างนี้เออมีความสงสัยไหพูดอย่างนี้ <c oughs> ไ ม, ไม่ไม่สงสัยเลยครับนี่พูดแล้วฟังกันอย่างสบายครับ ท่านก็เลยให้ภาวนาตายวันนั้นผมมันมันมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตใจผมก็ไม่ทราบเมื่อผมมานั่งทำขัดสมาธิแล้วก็หลับตาภาวนาตายตายยัยนี่มันเกิดขึ้นมาภายในจิตใจครับมันคิดขึ้นมาวูบเดียวทนายเอ๊ะมันทำทำําไหมคําว่าตายเรียพูดเรื่องอะไรกันอย่างนี้ก็เราทำพุโทโธมา 阿拉หังคลองยุบนับหนึ่งสองสามอาณาปานาสาติเราทำมาแล้วยังไม่ได้ทำซ้ำากอะไรเกิดภายในใจใจขี้เกียจขึ้นมาทันทีครับต น, นเตียดค า, านขึ้นมาแล้วไม่เอาใจใส่เลยเรื่องนี้เลยล้มหัวนอนลงพอดีล้มหัวนอนลงเอามานอนหรือมาอะไรมันมั น, ม, นมันมีสองขนครับมันทักท้วงกันอยู่ในใจผมเลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาผมมาทําจังหวะครับพลิกมือขึ้น รวบมือลงยกมือไปเอามือมาให้มีสติกำหนดรู้ก้มเงยให้มีสติกำหนดรู้เอียงซ้ายเอียงขวาให้มีสติกำหนดรู้พิษตาให้มีสติกำหนดรู้เลือด้ายแลขหัวให้มีสติกำหนดรู้ตาเมันเลือดสายแหล่หัวนะครับว่านวยตาพวกนี้ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าตามองเห็นไม่ใช่ผมว่านวยตานะครับลูกตานีว่าลูกตามันเลือดสายแลขหัวให้มีสติกำหนดรู้ พอดีทําไม่เท่าไหร่เดือนนอนอีกแล้วครับเรื่องนี้ก็เหมือนกั น, นทําไปทําำมาจะได้ประโยชน์อะไรเนี่ย ม, มันเป็ยนยะังไงอันนี้มันสําคัญครับเรื่องนี้ผมก็โลมหัวนอนอีกแล้วนอนไปนิดเดียวมันก็พูดอีกแล้วจะมานอนหรือมาทําไมเนี่ยมันมันสอนก่อนในขณะนั้นผมไม่รู้ก็เลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทําทําไปมันก็ทําไปทําไมได้ประโยชน์อะไรเนี่ยมันพูดในใจครับเข้าใจไหมครับผู้เรียนนี้ครับ เนียมันเป็นอย่างนั้นก็นอนนอนแล้วลุกขึ้นมาโอ้มันเป็นอย่างนั้นผมไม่รู้เรื่องอะไรเน่นในขณะมันคิดปุ๊บผมไม่รู้เลยครับก็ไปทําตามอารมณ์ที่มันคิดมันไม่คิดนั่นเองครับทําไปทํามาผมก็เลยตัดสินใจนอนเย็นวันนั้นครับนอนเลยเอาละนอนกันละพรุ่งนี้จะทำมัละวันนั้นเป็นวันแปดค่าครับผมไปขอกรรมฐานมาแต่ค่าตกเย็นเราจะใช้สุริยส่องเทมุน มันนทําีประมาณ่ ง, งกลัวเนี่ยครับมันเป็นอย่างนั้นปก็ิลยตัดสินใจนอนเอาละพรุ่งนี้วันเก้าค่าต้องทํางานมันละจะเป็นยังไงก็ต้องทํากันละไม่ทําวิธีใดก็ต้องทําวิธีหนึ่งให้ได้ผมนึกตัดสินใจก็เลยนอนครับเมื่อนอนลงไปประมาณจากสามชั่วโมงผมนอนครับพอดีนอนตื่นขึ้นมาผมเข้าไปล้างหน้าแปรงฟัน หลางหน้าแปลงฟังเขาทาจังหวะเดินจมกมเจนลุงครับพอดีตอนลุงมาแล้วก็มีโยมคนหนึ่งเอาเข้าวต้มไปให้สันเพราะผมได้พูดกับเพื่อนๆนเอาไว้ในยุคนั้นผมก็มีสตางค์ติดตัวไปด้วยและอาจารย์ก็รวบรวมสตางค์ไม่ให้มีสตางค์ทีแรกผมจะจ้างเขาเลี้ยงเดือนหนึ่งสามร้อยบาทในขณะนั้น เ, นเนมื่อทำอย่างนั้นอาจารย์ก็ทาไม่ได้อย่างนี้ คนไม่มีสตางค์จะมาทําอย่างนี้ทําให้สนักเสียเอยไหมอาจารย์ก็เลยเจ็ดรวบรวมสตางค์เอาไปเลี้ยงกันให้หมดกินด้วยกันเอาได้แต่ให้ผมได้ทําจริงๆผมก็เลยตกลงอย่างนี้ทันรวบรวมหมดสตางค์สตางค์หมืน่นหมื่นบาทสมัยนั้นหมื่นบาทไม่ใช่น้อยนะครับจริงๆนะเรื่องนี้ แต่การเกงเขาเสื้อผ้าเขาสามวันเอาไปซักซักรีดอีก ด, ด้วยนะผมเป็นคนพยศในยุคนั้นผมยังเป็นคนถือเนื้อถือตัวว่าตัวดีนี่นะครับผลที่สุดเป็นความเลวร้ายให้ผมซักรีดสามวันมาเอาชุดนี้ไปสามวันเอาชุดนั้นคือผ้าหลายชุดมีกางเกงขาสั้นขา ย, ยาวอันละสองชุดครับผมใส่อย่างนั้นเสื้อแขนสั้นแขนยาวเสื้อกันหนาวอะไรมีไปเหมือนกับคนสมัยนี้นะครับ สมัยที่ผมเป็นเนี่ยครับเหมือนกันครับเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นผมก็เมื่อตอนตื่นมาผมก็เดินจมกรมสร้างจังหวะเย็นตกเย็นมากระไปอาบน้ําอีกแล้วครับเมื่อไปอาบน้ํามาแล้วผมก็มาสร้างจังหวะเดินจมกรมวันแปดถึงวันเก้าทำจริงจริงครับวันนั้นทําทํากันจริงๆทําไม่รู้ครับวันนั้น ผมไม่รู้ผมไม่รู้วันก้าวําทําจนเมื่อตกเย็นวันนั้นก็ทําจนนอนครับนอนตอนนอนนี่ประมาณจากสามชั่วโมงเองผมนอนนอนตื่นขึ้นมาผมก็ล้างหน้าแปรงฟันเหมือนเดิมครับธรรมดาคนตื่นมาต้องล้างหน้าแปรงฟันมันสอนกันอย่างนั้นมาเพราะพ่ อ, พอแม่ปู่ยา่าตายายของเราเคยสอนอย่างนั้น ผมก็เลยล่างหน้าแปลงฟันก็นมาทำวันนี้เป็นคืนวันเก้าขั้ตื่นมาก็จะเป็นวันสิบคำนะวันนี้ครับพอดีวันนั้นพอดีตีห้าปัวนี่แหละครับมันเพอเอิญมีเมอะไแมลงป่องอะไรเรียกว่าบ้านผมเรียกว่าแมงงอดกันครับแต่พูดภาษาแมงงอเนี่บางที่คนส่วนมากอาจจะไม่รู้ครับก็เลยพูดว่าแมงป่อง แมงป่องไม่ลูกอ่อนครับถ้าพูดภาษาแมงงอดบ้านผมมาถ น, นัดครับแมงงอดไม่ลูกอ่อนครับให้ผมขอพูดภาษาผมเข้ามาแทรกอีกสักนิดเดียวแมงงอดไม่ลูกอ่อนครับมันตกมาใส่ขาผมขาผมมันข่าวนั้นผมน้กกลางเกร็งขาสั้นครับพอดีตกปุ๊บจะลงไปแล้วผมก็เลยเซอร์เลยตามปกติมีแมงอะไรตกใส่ขาผมผมปัดทันทีในขณะนั้น แมงแมงป่องในตกสีขาผมผมก็เลยเซ่อเลยไม่ได้ปัดผมก็พิจารณาทันทีครับลูกมันวิ่งตามขาผมแม่ก็เลยมุดอยู่ที่เดิมผมก็เลยพิจารณาตอนนี้ตื่นมาเป็นวันสิบครั้นะครับะะตอนนี้ครับผมมือสิบครั า, างเลยผมก็เลยรู้จักรูปนามแต่ก้อนผมไม่รู้ครับเรื่องรูปนามเนี้ยผมไม่รู้จริงจรู้กับต ำ, ำลับตารา เพียงแต่ว่าครูบาอาจารย์สอนว่าตาเห็นเป็นรูปรล้ลวรูปเป็นนามผมรู้อันนี้รู้แต่ผมไม่รู้สาบซึงถึงจิตใจในขณะผมทํมากรรมฐานยี่ผมก็ไม่รู้ครับรู้ได้เพียงกับสําหรับรําราเท่านั้นอันนี้เรียกว่ารูจ้จํารู้จักรู้แจ้งรู้จริงอย่างไรก็ตามครับต้องรู้จํามาก่อนรู้จํามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หรือปูย่าตายายสอนเราให้รู้จํามาก่อนแล้วก็ให้รู้จักรู้จักแล้วก็รู้แจ้งรู้จริงเมื่อแมงกองตกลงเสีขาผมผมไม่ปัดมันผมพิจารณาผมก็เลิกเกิดสติปัญญาตนิดนึงแปลกแปลขึ้นมาาในจิตใจครับรู้จักลูกลูจักน้ำลูดน้ำลูกับนามมันติดกันอยู่ครับมันแยกจากกันไม่ได้ เมื่อแยกงน้ำออกก็เป็นรูปเมื่อมีรูปกับน้ำมันติดกันอยู่นี้เรียกว่ารูปน้ำผมก็เลยรู้จักรูปน้ำรู้จริงๆครับเรื่องนี้นับรองได้จริงๆใครจะมาต้อว่าต้อเถียงผมก็ไม่เกลิ่เหินแม้จะมีครูบาอาจารย์มาพูดว่าไม่ถูกต้องผมก็ว่าถูกต้องเพราะทิฏฐิผมเห็นของผมเป็นอย่างนี้ครับเมื่อผมรู้รูปน้ำแล้วก็รู้รูปธรรมนามธรรมผมเลยรู้ธรรมะ ธรรมะเอ๊ะธรรมะเข้าใจเป็นตัวหนังสือกัมพีไบาลานผมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆแต่ก่อนครับตอนนี้ผมรูปธรรมนามธรรมะคือคนเนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้ธรรมะคือตัวของคนทุกคนอะเป็นธรรมะดีกว่ารูปธรรมนามธรรมเนี่ยผมเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเข้าใจรูปธรรมนามธรรมแล้วก็เลยเข้าใจรูปโลกนามโลกอีกแล้วครับมันเป็นอย่างนี้ครับคําว่ารูปโลกนามโลกนี่มีสองอย่างครับ อย่างร่างกายเรานี้เจ็ตหัวปวดท้องเป็นแผลเป็นอะไรก็ตามนะอย่าเป็นโรคโรคทางเนื้อหนังอันนี้เมื่อลูปเป็นใจมันก็ไม่สบายเรียกว่าใจกับเป็นโรคเหมือนกันเรียกว่าลูปโลกนลก้ำโลกแต่โรคแบบนี้ต้องไปหาโรงพยาบาลให้หมอพิจารณาให้ยารักษาเมื่อหมอโรงพยาบาลตรวจดูแล้วจะให้ยารักษาเรากินหายได้แต่บัดนี้ ร่างกายรูปนามไม่เป็นอะไรแต่ว่าจินแทบนอนหลับมีคนอื่นมาพูดให้เราพอใจไม่พอใจอย่างที่เนี่ยเมียผมแม่บ้านผมพูดให้ผมเขานั้นแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเกิไม่พอใจนะครับอันนี้ก็เหมือนอันนี้เรียกว่าจิตวิญญาณเป็นโลกครับตอนจิตวิญญาณเป็นโลกเนี่ยจำเป็นต้องหาคาสอนของพระพุทธเจ้าผมเลยรู้มาอย่างนี้ อันนี้พูดยอ่อๆนะครับหลักการอันนี้นะถ้าจะพันานาให้มากกับมากที่สุดครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วครับเลยรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกขังอนิจจังอนัตตานั้นผมเคยเรียนจากกูบาจานมาว่าผมหอกฟันหักเมื่อหนัง ย, ย่นย่อหรือนั่งนานๆเจ็บแค่เจ็บขาเจ็บหลังปวดเอวเหล่านี้เป็นทุกขงังเป็นอนิจจังเป็นนัตตาว่าอย่างนั้น แต่เมื่อผมรู้เกิดปัญญาแปลกๆขึ้นมาจากภายในจิตวันนี้ตอนที่ผมรู้ <c oughs> ทุกครังอนิจจังอนัตตาที่มันเกิดขึ้นจากภายในจิตใจต้นขั้วของหัวใจผมจริงๆเรียกว่าฌานกันัหมฌานเซวรัรูหรือว่าญาณเซวรลูหรือปัญญาเซวรลูเหมือนกันครับคือตัวอิทิยาบทนี่เองครับ ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนท่านให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้อันนี้แต่เราเลยไม่ทำอย่างนี้เราก็เลยไปภาวนาพุทโธบ้างอลาหังของยุบนับหนึ่งสองสามอาณาปานาสติอะไรกี่ปถาเราทำไปครับมันเลยไม่เข้าจุดที่พระพุทธเจ้าท่านสอนครับปันนี้ผมมาทำวิธีที่ผมทำง่าย พกมือขึ้นให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ยกมือขึ้นให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ยกมือขึ้นครึ่งตัวนะครับให้มีสติกำหนดรู้บันนี้เอามือเข้ามาหากระดือให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้บันนี้พลิกมือซ้ายตะแคงขึ้นให้มีสติเเข้าไปกำหนดรู้ยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัวให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ เอามือท้ายเข้ามาทับมือขวาที่สะดือให้มีสติเข้าไปกำหนดรูครับบันนี้เอามือขวานี่เลื่อนขึ้นมาหน้าอกเรียกว่ารูปรูปหน้าอกขึ้นมาชิดๆไม่ใช่รูปแรงนะครับรูปชิดๆขอให้มีผมรู้สึกครับให้มีสติให้มีสติเข้าไปกำหนดรูเอามือขวามาวางไว้ที่หน้าอกนี่นะครับให้มีสติเข้าไปกำหนดรูบันนี้เอามือขวาเลื่อนออกมาที่ตรงข้างให้มีสติกำหนดรูลดมือขวาลงที่ขาขวานี่ตะแขงไว้ ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ขั้วมือขวารงที่ขาขวาให้มีสติกำหนดรู้วิธีผมทำอย่างนี้บัดนี้ก็เลยเอามือซ้ายเนี่ยเลื่อนขึ้นมาหน้าอกให้มีสติกำหนดรู้เอามือซ้ายออกไปตรงข้างให้มีสติกำหนดรู้เอามือซ้ายลดลงขาซ้ายให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้และบัดนี้คั้วมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้มีสติกำหนดรู้ทำอยู่อย่างนี้นะครับ สลับกันแต่ให้มันหมุนกันเหมือนลูกโซ่ติดต่อกันไม่ให้ขาดสายเหมือนกับนาฬิกานี่นะครับนาฬิกามันหมุนอยู่อย่างนั้นตลอดตัวทั้งวันทั้งคืนมันหมุนอยู่อย่านั้นผมทําอย่างนี้แหละครับที่มันคาดช่วงน้ำพูดนี่ครับผมเลยรู้เรื่องรูปนามรูปทำนามทำรูปโลกนามโลภมรูมร้ทุกขังอเนกจจังอนัตตานี่ครับรู้จริงๆเรื่องนี้ทุกขังอเนกจังอนัตตานี่คือ อุปนิย่าบทได้เองพลิกมือขึ้นก็เป็นทุกข์ผมรู้อันนี้พ่วงมือลงก็เป็นทุกข์เข้าใจอันนี้นยกมือไปก็เป็นทุกข์เอามือมาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้งนั้นครับเหมือนกับตัวเราที่เป็นก้อนทุกข์ทีเดียวมันเกิดปัญญาขึ้นมาอย่างนี้ครับดังนั้นการเจริญสติแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั้นถูกต้องจริงๆผมรับรองแม้อาคุบาอาจารย์องค์ไหนจะไม่รับรองผมก็รับรองจะเอาชีวิตเป็นหลัก มีสติกำหนดรูดนอนให้มีสติกำหนดรูท่านสอนอย่างนี้ในเท่านั้นกันยังไม่พอนะครับท่านยังสอนย้ำเข้าไปอีกว่าให้มีสติกำหนดรูในอิริยาบถ ย, ย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามท่านสอนอย่างนี้แต่เราไม่สนใจเรื่องนี้ก็เลยไม่รู้ความจริงเป็นอย่างนั้นเมื่อผมมาทำอย่างนี้แหละผมรู้จริงๆครับตัวอิริยาบถ ท, ทุกอิริยาบถเป็นตัวทุกขังเป็นตัวอนิจจังเป็นตัวอนัตตาครับ คำว่าทุกครั้งอนิจจังอนัตตาเนี่ยก็มีมีมากนะครับแต่มาเปนตัเป็นตัว้ัาทุกหมายถึงมันติดตัวอิจบทนติดอยู่กับรูปนี้มันติดอยู่กับรูปนี้อนิจจังก็หมายหมายถึงมันไม่เที่ยงทนอยู่นิ่งนิ่ ง, งไม่ได้อนาตตาบังคับบรรชาเวลาเนเป็นไปตามธรรมชาติของมันเนี่ย สมมติละนอนนั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกไม่เคลื่อนไม่ไหวไปที่ไหนเลยมันก็มีพิษตามันก็มีหายใจเนี่ยนึกนึกคิดผมรู้จักอันนี้จริงๆจึงรับรองได้ครับรู้จริงๆเรื่องนี้เมื่อรู้ทุกข์แล้วผมรู้สมมุติครับก็ปัญญารู้สมมติสมมุติอะไรรุ้หมดทีเดียวครับสมมุติว่าพ่อแม่ก็เป็นสมมติสมมติแล้วก็บัญญัติ ในการบวชการศึกภาพสององค์เน้นก็เป็นสมมติครับแต่ในขณะนั้นสมรงโยมครับสมพติให้ฝั่งเราบางคนอาจจะรูครับเนือการเปลี่ขาชั้นในขณะนั้นวันที่สิบคำเนี่ยคำออกมาเนี่ยเป็นเน้อการเึกีขาั้นตอนเท้าตีห้าขัวมานี่แหละครับดูลายมือยังไม่สว่างดีครับยังไม่ชัดเจอเห็นพอมองเห็นได้แต่ยังไม่ชัด เมื่อรู้สมมติเนี่ยครับรู้จริงๆพระพุทธรูปนี่ก็สมมุติขึ้นมาแต่กระจริงโดยสมมุตินายกนายขอจริโดยสมมติอยากพูดอย่างไายโกพูดบวชแล้วก็ะสึกศีลแล้วกระบวดศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบเป็นสมมุติทั้งนั้นผมเข้าใจทื่ว่าสมมุติเี่มากครับแต่อย่าทิ่งสมมุติแต่อย่าไปเกี่ยวข้องกับสมมุติให้มากผีเทวดานี่ผมรู้จริงๆครับอย่างนี้ ตอนนั้นเมื่อผมรู้สมมุติแล้วผมก็เลยมารู้ศาสนาศาสนาแปลว่าคําสั้งสอนของท่านผู้รู้ที่แรกผมรู้วับโบสถ์ศูนย์ลาาการเปเรียนพระพุทธรูปเป็นศาสนาผมเข้าใจอย่างนั้นตอนนี้ผมก็เลยมารู้ใหม่ผมคิดแปลกแปลกใหม่ๆที่มันปรากฏขึ้นภายในใจิตใจเรียกว่าอัศจรรย์คําบว่าอัศจรรย์นี้ซึ่งไม่รู้มันรู้ขึ้นมา สิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมันเข้าใจขึ้นมาเรียบร้อยเป็นที่อัศจรรย์เหมือนกับที่ว่าแพ่นดินไหวว่าจะนั่นก็นได้ครับมันไหวหมดตัวทีเดียวครับมันรู้ทราบซึ้งจริงๆริศาสนานั้นหมายถึงคําสอนสอนใครสอนเข้าหูหูมันอยู่นําคนหรือสัตว์นี่มันเข้าใจอย่างนั้นเมื่อผมเข้าใจภาษาศาสนาแปลคํา ส, านานสอนสอนเข้าหูก็ตัวคนที่เป็นศาสนานผมก็เลยเข้าใจอยังไง ก็เลยพิจานาอุคนนั้นทุกคนเป็นศาสนาจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันทั้งหมดศาสนาคือตัวคนผมเลยเข้าใจอย่างนี้พุทธศาสนาบัดนี้พุทธศาสนาคือตัวสติตัวปัญญามารู้ลูกลู้ลลลนานี่เองพุทธพแล้วคู่รู้เรารู้ขึ้นมาจากโดยธรรมชาติจริงๆเป็นกฎเป็นการเขย่า ถ้ารู้ขึ้นมาจริงๆเรื่องนี้เมื่อรู้อย่างนี้ผมก็เลยรู้พุทธศาสน า, สาศาสนาพุทธศาสนาผมรู้จริงๆใครจะมาว่ายัางไงผมก็ไม่เชื่อจากนั้นผมก็เลยมารู้บาปบุญนี่นะบาปนั่นหมายถึงอะไรบุญหมายถึงอะไรผมรู้อย่างนี้ครับผมรู้ว่าบาปคือโมนั่นเองบาปคือมืดบาปคือไม่รู้ผมเข้าใจยังไงบาปคือมืด บาทคือหนักมันกี้บะถาครับมันพูดเรื่องนี้ครับแต่มันวิพากวิจารณบุญแบบนี้บุญ บ, บุญคือรู้บุญคือขาวบุญคือสะอาดบุญคือสลาดไอ้มันตรงกันข้ามไหมถ้ารู้แล้วไม่มีทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอันนี้เลยครับผมรู้มันก็เลยมาตรงเอากับพุทธพจน์ทบทหนึ่งว่าอัตตาหิอัตานโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตรงอันนี้แหละพึ่งได้จริงๆครับ พึ่งได้จริงๆพึ่งผีเทวดาพึ่งไม่ได้จะให้ผีเทวดามาช่วยไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับนี่แหละครับคมเข้าใจของผมเป็นอย่างนั้นครับบัดนี้คนจนๆไม่มีเงินปฏิบัติก็ได้คนรวยๆปฏิบัติก็ได้มีเงินร้อยล้านพันล้านนะครับเอาไปซื้อไม่ได้เรื่องนี้ซื้อผมรู้อันนี้ซื้อไม่ได้ จะทําบุญเท่าไหรเท่าไหรก็ไม่ปรากฏได้ครับแม้จะรักษาศีลเท่าไดเท่าไ ห, าไหก็ปรากฏไม่ได้ครับเรื่องนี้ไม่เกิดปัญญาขึ้นมารู้อย่างนี้จริงๆครับนี่แหละพุทธคดบทนี่ว่าอัตาหิอัตาโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนจะไปะพึ่งคนอื่นไม่ได้นี่ยพึ่งไม่ได้จริงๆเรื่องนี้แต่อันอื่นพึ่งได้ครับเรื่องความรู้อันนี้พึ่งไม่ได้จะให้ครูบาอาจารย์ทําแทนก็ไม่ได้ อันนี้ก็เลยไปตรงเข้ากับเมื่อพระพุทธเจ้าตัดต่อพระวรกลิกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเหล่านี่ครับจะจับสายีวรของเราตถาคตยูก็ไม่เห็นเราตถาคตเพราะไม่เห็นธรรมอันนี้ก็เหมือนกันครับตรงเข้ากับพุทธพุทธเหล่านี้เหมือนกันบางคนนะครับในสมัยนั้นผมเมื่อผมปฏิบัติพุทโธนี่ผมอาจารย์ท่านสอนให้ ว่าเห็นเสือมาก็ตามเห็นผีมาก็ตามให้เอามือไปตบหน้ามาทันทีท่านสอนอย่างนั้นแต่ควรจริงนั่งหลับตาครับได้ประโยชน์น้อยไม่คุ้มครับถ้าเรามีเงินมีทองมีทองคำมามากมีข้าวของอะไรมากๆถ้าเราเป็นนั่งหลับตาอยู่แล้วคนจะมาเอาของเราเราจะไม่เห็นครับเรื่องนี้แต่ก็ดีแต่ผมไม่ได้ปฏิเสธหรอกที่ว่ามันไม่ดีผมไม่ได้พูดคำมันดีแบบนั้นดีน้อย มันไม่ดีถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่ผมพูดนี่ผมรับรองว่าดีร้อยเปอร์เซ็นจริงๆครับเรื่องนี้ครับตอนที่พระพุทธเจ้าตัดต่อพระวรกลิกนั้นพระวรกลิกไปสมตั้งแต่รูปพระพุทธเจ้าแต่ไม่ดูตัวเองพระพุทธเจ้าบอกว่าวกรกลิกต้องลกเข้าไปดูภายในจิตใจตัวสิพระวรกลิศก็ลกลับมาดูที่จิตใจของพระวรกลิ ก, กเมื่อพระวรกลิกเห็นตัวเรา อันนี้เลยเห็นตัวเราเนี่เห็นธรรมนะครับเห็นธรรมคือเห็นตัวเราเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเนี่ยไม่ใช่ไปเห็นพระพุทธเจ้าคุณนะครับอยากเข้าใจว่าไปเห็นพระพุทธเจ้านะครับตอนนี้ครับแต่คนส่วนมากเข้าใจว่าเห็นเราเนี่ยเขาไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ควุมเข้าใจมันผิดกันไปอย่างนี้ครับคือเห็นตัวเรากําลังนั่งอยู่นี่ยท่านเห็นตัวตัวท่านไหมครับเห็นครับเห็นท่านไหมครับเห็นครับเออเนี่ยเห็นตัวเรานี่เองครับเห็นธรรมคือเห็นตัวเราครับไม่ใช่ไปเห็น พระพุทธเจ้าครับนี่อันนี้เนี่ยบทนี้มันน่าคิดครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเรานะีผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราก็ตัวเรานี่เองเมื่อจเจริญสติแล้วสามารถที่จะรู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ครับอันนี้แหละน่าคิดเพราะอาจารย์สอนนั้นก็ต้องไปนั่งภาวนาก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นผีเห็นเทวดา คุยกับผีคุยกับเทวดาได้อันนั้นมันทำมาอะไรผมไม่ทราบตอนนั้นครับแต่วิธีผมรู้อันนี้ครับเห็นตัวจริงอันนี้ครับแต่เห็นธรรมก็เห็นเป็นเปลือกเป็นสั้นเป็นนะครับแต่ไม่ใช่เห็นสั้นเดียวนะครับเห็นรูปกายพลิกมือขึ้นข้อมือลงก็เห็นมีสติกนรู้ตาก็มองเห็นใจก็รู้ก็เห็นอันนี้ก็เห็นธรรมเปลือกหนึ่งครับบัดนี้มาเห็น <itor> หายใจเข้าหายใจออกตอนหายใจเนี่ยคนอื่นมองเห็นจะจับไม่ได้ครับที่เราพลิกมือข้อมือเคลื่อนไหวพลิบตาหายใจกินน้ําหลายนี่คนอื่นมองเห็นครับอันนี้ก็เป็นธรรมสนิดหนึ่งครับอันนี้ก็เห็นธรรมสนิดหนึ่งตอนจิตใจมันนึกมันคิดนี่คนอื่นมองไม่เห็นอีกแล้วครับตอนนี้ครับแต่ตัวเองก็ยังไม่รู้อีกแล้วตอนนี้ครับนี่ผมรู้มาเรื่องนี้ครับ แต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ผมคิดครับที่ผมพูดวันนี้ผมพูดรวบรัดมาเลยครับตอนนี้เมื่อพูดมาถึงตอนนี้ก็จะมาย้อนความคำพูดให้ฟังอีกพักหนึ่งบางคนปฏิบัติอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ครับตอนนั้นผมรู้ตอนเศราจนถึงตกเย็นครับแม้ผมรู้ร้อยแปดพันประการแม้พระใจปีดกนี้ผมคิดจะยกมาแสดงได้ทุกบททุกตอนครับผมรู้อนไรครับ อันนี่แหละรู้เลยจากต้นส่วนไปายไม่ได้รู้แล้วมัน <atiques household S 2> ลืมไปคับอันนั้นเป็ขมลูกของอริธาครับพูดอย่างตรงไปตรงมาเรียกว่าอุปกิเลสวิปัสนูอุปกิเลสนั่นเองครับขมลูกของวิปัสนูครับอันนั้นไม่ใช่เป็นขมลูกของปัญญาไม่ใช่เป็นขมลูกของวิปัสวิปัสนาครับเป็นขมลูกของวิปัสนูครับเป็นขมลูกของวิปัสนูอุปกิเลสมันเป็นกิเลสรู้แล้วมันลืมครับมันไม่เห็นอีสระด้วยนะ ที่ผมพูดนี้คุมลูกของวิปัสนาคือลูรูปลูน้ำลูรูปรมนามธรรมลูรูปโลกนามโลกลูทุกขังอนิจจังอนัตตาแล้วก็ลูสมมุติแล้วก็ลูศาสนาลูพุทธศาสนาลูบาปลูบุญหมดทุนนี้เลยครับตอนที่ผมรูนําเป็นคมลูกของวิปัสนูครับเป็นคมลูกของอวิชชาก็ได้แต่ผมภูมิใจมังเกิดปีติเนะครับ ภูมิใจในคมรู้ตัวเองครับเป็นอย่างนั้นมันรู้มาจนตกเย็นครับมาโทษผมไม่เคยดูขมคิดเลยมันไปอยู่ในคมรู้มันภูมิใจครับตกเย็นมาแล้วผมไปอาบน้ำอาบน้ำในบ่ยบเดินจมคมประมาณหกโมงแรงอย่างที่เราทำวัดกันตามพระสงฆ์องค์เลนท่านบางวัดก็ทำวัดหกโมงแรงหรือบางวัดก็ต้องว่า เือหนึ่งทุ่มยังทําก็ได้บางวัดทำห้าโมงก็ได้แล้วแต่จะทำแล้วคือว่ามันแล้วแต่จะนัดวิลมเวลาเหมาะสมเรื่องนั้นตอนนั้นผมอาบน้ําแล้วก็ไปเดินจมกมรมมีต้นไม้ต้นหนึ่งมันต้นเรียกว่าต้นพุทธาเนี่ถ้าว่าตามภาษาไทยเรียกว่าต้นพุทธาถ้าพูดภาษาบ้านผมเรียกว่าต้นมักขันครับมะขันนะับผมไปเดินอาศัยลมมันกับต้นมีต้นข่อยครับต้นข่อยในบ้านผมเรียกว่าต้น ส้มพอครับเดยวอ่ทางภาคกลางเดียว่าต้นคอยครับมันรับกันผมก็ไปอาศัยต้นไปอาศัยลมไม้สองต้นนึงอยู่เดินไปเดินมาเกิดมีความคิดวูบขึ้นมาครับครั้งแรกผมไม่รู้จากมาคิดมาจากที่ไหนผมไม่ทราบไม่รู้ไม่เข้าใจมันคิดไปวูบเดียวเนี่ยผมก็เลยเหลียวดูครับเอาตาเหลียวมันมันก็เลยไม่เห็นครับหรือจะเอามือคว้าหายังไงมันก็ไม่ถูกแล้วครับผมคิด เลยไม่เห็นไม่รู้รู้แต่ว่ารู้มันคิดไม่เห็นผมก็เดินกลับไปกลับมาคอยดูมันครับไม่เห็นเดินกลับไปกลับมาทางเดินจมกลมไม่ยาวครับประมาณจากสามวากว้านี่นะครับอย่างอย่างมากไม่เกินห้าวาวาอย่างสั้นกขนาดเกินสามวากว้าระยะนี้กลับไปกลับมาคิดกันมาอีกวุปเดียวครับบุญคิดกันมาวูปที่สองเนี่ยครับไม่ใช่วูปเดียวนะวุปที่แรกนั้นผมไม่เห็นแต่รู้ รูปงที่สองเนี่ยเห็นกับรู้มันพร้อมกันบัดนพอเดีมันวูบขึ้นมาเห็นมันรู้มันรู้มันเห็นเนี่ยมันคิดขึ้นมาเนี่ยแต่ยังบม่รู้จักว่าวิธีมันจะมายัางไงไม่รู้ครับตอนนี้เดินกลับไปกลับมากําลังเดินนะครับข่าวนี้เดินกลับไปกลับมาคิดมาวูบที่สามเนี่ยผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจวิธีกรมคิดเลยครับบัด น, นี้ ผมเลยเอาสติมาคอยจ้องตัวความคิดมันคิดมาปุ๊บเห็นปั๊บเหมือนแมวกับหนูนี่ครับหนูมันกระโดดออกมาแมวมันโดดเสร็จปุ๊บทันทีจับทันทีจับไม่ผิดอีกสักด้วยนะแมวจับหนูนี่ครับแต่ไม่ต้องสงสัยแมวจับหนูว่าจับผิดมันไม่ต้องสงสัยครับเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ได้เห็นก็ตามหนูอยู่โจนมาที่ไหนก็ตามมาโจนมาบา น, แนแผนเนี่ย แม้มันจับพันทีจับทูกอิสะด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันบัดนี้พอดีผมก็เลยทาเอาสติคอยจ้องดู ม, มันก็คิดปุ๊บเห็นปับ๊บคิดปุ๊บเห็นปับ๊บตอนเย็นนะครับตัวนี้ตกเย็นประมาณหกโมงกวนี่ครับผมเดินไปเดินมาพอดีมันคิดทันเข้าทันเข้ามันเกิดปรากฏขึ้นภายในจิตใจครับมันเป็นอารมณ์ตอนนี้ก็เลยพูดอารมณ์ของวิปัสสนาให้ฟังอีกแล้วครับ เรื่องรูปนามเป็นอารมณ์หนึ่งตอนที่รู้มากๆนั้นเป็นอารมณ์ของวิปัสสนูเป็นอารมณ์ของอวิชชาแก้ทุกข์ไม่ได้อวิชชาแปลว่าไม่รู้แต่ความจริงอวิชชานี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ครับอะิแปลว่าไม่วิชาแปลว่ารู้ครับแต่มันไม่รู้วิธีดับทุกข์แต่มันรู้ไปทางดับทุกข์ไม่ได้ครับอันนี้พระพุทธเจ้าท่านคงจะสอนมาในทํานองนี้แต่ผมก็ไม่ทราบว่าท่านจะสอนไปแบบไหนผมก็ไม่ทราบ ว่าอะวิชาเราเข้าใจว่าไม่รู้จริงๆความจริงมันรู้แต่มันรู้ดับทุกไม่ได้ตอนนี้มันคิดปุ๊บเห็นปั๊บคิดปุ๊บเห็นปั๊บผมเลยเข้าใจเออลูกกายเราเนี่เป็นวัตถุสนิดหนึ่งต้นไม้ภูเขาห้วยหนองคลองบึงดินฟ้าอากาศเป็นวัตถุสนิดหนึ่งมันเข้าใจไปอย่างนี้แม่เงินทองธนบัตรมุนี้เป็นสมมติจะเป็นวัวตถุชนิดหนึ่ง ผมเลยเข้าใจอย่างนี้คำว่าวัตถุนี่เข้าใจให้ดีนะควันนี้ความคิดที่มันคิดมันนี่ก็เป็นวัตถุสนิดหนึ่งนี่ผมเข้าใจอย่างอันนี้เป็นวัตถุครับมันมีครับคําว่าวัตถุแปลว่ามันมีครับแต่มันมองไม่เห็นด้วยตาคจริงแต่มันมีวันนี้ผมก็เลยเห็นเป็นวัตถุโอ้ปลละมัตบ่เนี่เออปลละมัตก็หมายถึงที่เราเห็นกําลังสะโพะหน้านึอคนกําลังพูดกาลังคุยพวกท่านกําลังผมมองเห็นท่านท่านเห็นผมไหมครับครับ ท่านเห็นนะครับเนี่ยพวกท่านเห็นผมนี่ก็หมายถึงว่าปรามาัดเหมือนกันผมก็เลยมาเข้าใจความคิดมันคิดออกุ๊ดลอกควาเป็นปรมาัดชนิดหนึ่งบหมอนอาการมันนี้อาการของต้นไม้ภูเขาห้่ยหน้องของบึงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหมดครับผมก็เลยโอ้อาการของรูปกายก็เหมือนกันอาการของจิตใจก็เหมือนกันมันก็เลยเข้าใจอย่างนี้ครับเมื่อรู้จักวัตถุปรมาัดอาการก็เลยรู้จัก โทสะโมหโลภะนี่แหละครับโทสะโมหะโลภะมันเป็นวัตถุชนิดหนึ่งเป็นปรมัดชนิดหนึ่งเป็นอาการชนิดหนึ่งแต่มันไม่มีตัวไม่มีตัวก็วจริงแต่มันไม่มีอยู่กับเราก็จริงแต่มันมีอยู่ตามที่ไหนไม่ทราบครับแต่เราให้เห็นอันนี้แปลว่ารู้แจ้งรู้จริงอารมณ์ของวิปัสสนาต้องรู้อย่างนี้ครับเมื่อรู้อย่างนี้จิตใจผมมีน้ำหนักสมมุติหนะึ่ร้อยกิโลนะครับ ตอนเย็นวันนั้นนะครับผมสลัดทิ้งอย่างน้อยที่สุดต้องหกสิบกิโลครับเบาขึ้นมาหกสิบกิโลคันท่าพูดตามใจผมแล้วผมสลัดทิ้งแปดสิบกิโลผมว่าอย่างนั้นครับแต่ผมเทียบนี่หกสิบกิโลเนี่ยคุกบอลเบาครับผมคิดถึงสภาพเมื่อผมอพูดกับแม่บ้านผมกับเมียวนะันั้นที่มันหนักอกหนักใจผมว่าโอ้ทีนี้มันทูกทําลายไปเสียแล้วบาทนี้ผมเลยทู่จาว่าทูกทาํา มึงไม่ต้องมีเรื่องกับปูและที่มีผมเข้าใจอย่างนั้นครับเมื่อเห็นอย่างนี้เกิดมีขมลูกปลากดขึ้นภายในจิตใจครับรูเห็นเข้าใจทราบซึ่งขึ้นมาเวทนาไม่มีทุกข์แล้วคือไม่สเสวยอารมณ์สัญญาไม่มีทุกข์แล้วแต่รู้สัญญาคือขมจํารู้แต่ไม่มีทุกข์เสียแล้วสังขารไม่ถูกกลุงไปด้วยขมหลงผิดไปเสียแล้ววิญญาณเปลนวารู้ผมก็เลยรู้วิญญาณครับแบบนี้ครับ แต่วิญญาณที่ผมรู้แต่ก่อนๆ น, นั้นผมเข้าใจว่าวิญญาณเนี่ยตายแล้วต้องไปเกิดที่นั้นที่นี้ไปเมืองสวรรค์ไปนิพพานไปนรกนะผมเข้าใจอย่ายงอันนี้ผมขอสักเรื่องอดีตมาตั้งแต่สมั ย, ผ ม, ย, ย, ผ, มยผมเป็นเด็กๆครับเนี่ยยายผมตายผมเป็นเด็กนะครับไม่ใช่เด็กน้อยขนาดเนี่ยเป็นคนหนุ่มก็ว่าได้ครับเป็นหนุ่มเนี่ย ไปจูดคนตายท่านเอาไฟไปจูดที่บ้านผมคือเอาปืนธรรมดานี่ไม่ธรรมดาเนี่ไปจูดกันครับให้ผมพูดภาษาบ้านผมตอนนี้ครับเอาไม้ธรรมดาเนี่ยไปก่อเป็นกองไฟขึ้นครับแล้วก็เอาคนที่ตายเนี่ไปยองกองไฟแล้วเอาไฟไปจุดไฟไปจู ด, ด ม, กกมันเป็นควันครับพอดีบรรลุขึ้นเป็นควันถ้าหากว่าควันไฟนั้นตั้งเที่ยงขึ้นไปนั้นท่านว่าได้ไปเกิดเมืองสวรรค์นะธันว่าขณะควันไฟมันไปตามพื้นดินนี่ธันว่ามัน ไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์เอกสารไปไปนรกคนวาสันเร่คุามจริงกันถ้ามันลมมันก็ต้องไปตามลมครับผมก็เลยมาคืดได้อันนี้ครับนี่ที่ผมพูดนี่พอที่จะเข้าใจได้ครับถ้าควันไฟเนี่ยมันตั้งขึ้นไปแล้วท่านว่าไปเกิดเมืองสวรรค์สันฟ้าไปนิพพานถ้าลมพัดหรืออะไรก็ตามน่ะมันไม่ต้องวั่นไหวมันต้องตรงอยู่ยนั่นตลอดเวลาคนเท่าคนแก่ท่านพูดอย่างนั้น ถ้าหากไม่มีลมก็ตามถ้าควนมันปูไปตามพื้นดินไปตามอากาศนีถนัดไปตกนรกไปเป็นเปตไปเป็นอสุรกายไปเป็นจตเดลสารทันวายัะให้ดูควรไฟไวไ้ตอนนั้นผมจำได้เรื่องนี้ครับพอดีจุดไฟขึ้นลมมันพัดไปครับลมมันเป่าไปลมมันพัดไปควนไฟมันก็ไปตามลมครับอันนี้แหละผมรู้เรื่องวิญญาณครับวิญญาณแปลว่ารู้ วิญญาณไปว่าเห็นแจ้งรู้จริงนะครับอันที่ผมรู้นี่ผมไม่ได้พูดเรื่องวิญญาณไปว่าตายแล้วไปเกิดสนั น, สนนัตสันน้ตายแล้วไปเข้าท้องคนนั้นไปเกิดเป็นนายกนายข อ, อ, อ, อผมไม่ทราบตอนนั้นครับผมไม่ทราบจริงๆผมรู้อันนี้ครับ <spoilers. S 2> ดังนั้นผมจึงนําความจริงมาเล่าให้ฟังต้องการความจริงใช่ไหมครับครับต้องการครับต้องการความจริงก็ต้องพูดความจริงให้ฟังตามความเป็นจริงที่ผมรู้มาอย่างนี้ครับผมก็เลยรู้เรื่องวิญญาณ วิญญาณเปลว่ารู้แจ้งไม่ใช่ว่าวิญญาณตายแล้วไปเกิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเรื่องตายนั้นไม่ต้องมาพูดครับผมรู้อย่างนี้จริงๆพอรู้อย่างนี้นะ่ะจิตใจผมเบาผมก็เลยรู้ลักษณะความเป็นอริยบุคคลขึ้นมาอริยบุคคลนี้ไม่ได้หมายถึงบวชศึกอะไรนะครับถ้าผมพูดอย่างนี้บางคนฟังแล้วอาจจะหาว่าพูดอวดอุตลิมนุษาธรรมคือทำอันยิ่ง ที่ไม่มีในตนต้องอาบัติประสากอันนั้นก็จําเป็นต้องพูดครับเพราะต้องการคนจริงใช่ไหมครับครับโดยครับือแต่ตอนนั้นผมลูผมก็เลยพูดคําว่าพูดอวดอุตลิกับพูดอุตลิข์แตมันเป็นคนละคำกันนะครับต้องเข้าใจครับพูดอวดอุตลิข์มนุษย์ศาสนาคือทําอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนนั้นพูดอวดครับไม่ใช่จริงพูดอวดเราไม่รู้กันบัด น, นี้พูดอุตลิข์บัดนี้ ที่ทำที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นธรรมอุตรินะครับพูดอุตริมนุษยธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่มีในตน อ, อันนี้ต้องอบัตประจิตีครับตามตัวหนังสือคันถ้าพูดอ้วดน่นตัวไม่รู้ว่าตัวรูนะ้น่ะเป็นอบัตปราสติกครับพันว่าอย่างนั้นผมก็เลยมารู้เรื่องอบัตปราสติกคราวนั้นครับปราสติกนี่แปลว่ามืดนะผมว่าปราสติกนะครับอันนี้ภาษาบ้านผมเรียกพลาสติกแต่ตัวหนังสือเขาพูดแบบพราสติกครับ พลาสิกนี่ผมรู้ครับเศษเมถุนหนึ่งรักของเขาหนึ่งฆ่าตัดวหนึ่งพูดอุตริมนุษย์หรือพูดอวดอุตริมนุษย์ศาสาธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องอาบัตพลาสิกขาดจากคมเป็นภิกษุอ้วดทัานเองนี่ครับผมมาลูตอนนี้ครับคําว่าภิกษุแปลวผู้เห็นไผยครับภิกษุแปลว่าผู้เห็นไผยครับเมื่อผมรู้อย่างนี้โอ้าลาสิกหมายถึงคมมืด เศษเมถุนเนี่ยไม่ใช่หมายถึงเพชรตรงกันข้ามตั้งแต่เราเห็นด้วยตาครับนี่เป็นวัตถุอย่างนี้ครับเศษเมทุนคือข่มโกรธขมโลภผมห ล, ลงยังมีอยู่เรียกว่าเศษเศษเป่าอยู่ครับดูได้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นภูมครับผมเข้าใจอย่างนี้ครับอันนี้เป็นพูดอุตริมนุษยธรรมครับคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่มันมีในคนแต่บางคนไม่รู้ครับพูดให้ฟังไม่รู้ รู้อันนี้จริงๆครับนี่รักของเขาไม่ใช่หมายถึงลักเงินลักทองนะครับแต่ว่าลักเงินลักทองตามตัวหนังสือวันราคาห้ามาศมาศหนึ่งนั่งก่อยี่สิบสตางค์ห้ามาศก็ร้อยสตางค์เต็มบาทพอดีค่าจะคงเป็นภิกษูทันว่าอย่างนั้นคําว่ารักของเขานี่หมายถึงไปจําเอาคําพูดจากบุคคลอื่นมาหรือไปแปลเอากับตํำลับตํานามาไม่ใช่เราลู่เองเห็นเองไม่ใช่เข้าใจเอง ผมเข้าใจอย่างนี้ครับเด่๋ยวลักษ์ของเขาหนึ่งฆ่าสัตว์หนึ่งเหมือนมนุษย์นอกคันในครันแต่ผมเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่เอามีดเอาค้อนไป ต, ตัดไปตีไปฆ่าเอาปืนไปยิงขนาดนี้คือทำควรรู้ควรเห็นควรเข้าใจไปปิดติดเอาไว้คือเราทุกคนมันสามารถที่จะมีได้ครับแต่ไม่ยอมรู้อันนี้แปลว่าฆ่ามนุษย์นี่ครับแป้งฆ่ามนุษย์ไม่ใช่ว่าแกล้งใคร คือเราไม่ทำอันนี้ให้รู้แจ้งเห็นจริงก็เรียกว่าฆ่าตัวเองก็ได้ฆ่าคนอื่นก็ได้ครับเรื่องนี้อันนี้เร่แจ้งฆ่ามนุษย์ให้ตายเราไม่ควรที่จะฆ่าดวงจิตวิญญาณของเราให้มันมืดบอดไปยัง น, นัควรศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจจริงๆครับอันนี้พูดอุตรีบดเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยครับมันเป็นธรรมของพระอริยบุคคลครับไม่ใช่เป็นธรรมของปุถุชนครับ ผมก็เลยรู้อย่างนี้ครับเรียกว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงครับเป็นสมบัติของบุคคลผู้ที่ต้องการอยากคนจากขมทุกข์ครับผมเขา้าใจรู้จักอย่างนี้จริงๆครับเมื่อรู้จักอย่างนี้ผมก็เลยรู้ครับรู้จริงๆแล้วก็เลยมาเดินจมกมแต่มันมืดข้างหน้าอีกแล้วครับไม่รู้จักทิศทางไปอีกแล้วบัาน ตอนนั้นจิตใจผมรู้สองพักผมกำลังเดินพอดีรู้อันนี้รู้เป็นหัวข้อหัวข้อมาผมพูดนี้ผมพูดเป็นเรียกว่ายาวสักนิดเดียวอธิบายเพื่อผมเข้าใจครับ mm. เมื่อผมรู้อย่างนี้จิตใจพอดีรู้ปุ๊บปับ๊สบสติปัญญามันก็เลยเกิดสติปัญญาโผล่ขึ้นมา mm. เหมือนกับดอกไม้ที่บานอ mm. อกมาเรียกว่าเหมือนกับที่เห็ดปูกออกมาจากในดินนั่นเองครับ หรือหน่อไม้ที่มันผุดออกมาจากในดินนั่นเองมันผุดขึ้นมาครับก็เลยรู้กิเลสตัณหาอุปทานกรรมเมื่อรู้อย่างนี้ผมก็รู้จากความเป็นอรียบบุคคลขึ้นมาครั้งที่สองผมก็เลยรู้ว่าปฐมฌานพุทธิฌานโอ้ฌานไปว่ารู้ผมเข้าใจอย่างนี้เมื่อรู้อย่างเนี้ยคผมยึดมั่นถือมั่นมันหายไปเองครับแต่ไม่เสียันตายนะครับเนี่ยกิเลสก็หมายถึงความไม่รู้ นั่นเองตัณหาก็หมายถึงขมอยากนั่นเองอุปาทานก็หมายถึงการยึดมั่นถือมั่นกัม ก, ก็นำได้เสวยทุกเสวยสุขนี่มันเป็นอย่างนั้นครับรู้อย่างนี้ในรอบนั้นตอนเย็นนั้นผมจิตใจผมเปลี่ยนสองพักครับเปลี่ยนจริงๆเรื่องนี้ครับใครจะพูดยังไงก็กได้ครับจะพูดว่าพูดอวดอุตริมนุษย์สามก็าตามครับเจ็ผมไม่ได้พูดอวดครับผมพูดผมจริงให้ฟังครับนี่ ที่ผมกล้ายืนยันรับรองคำสอนของพระพระเจ้านั้นมีอยู่ในคนทุกคนจะถือศาสนาไหนก็ตามนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามพูดภาษาอะไรก็ตามแต่พูดแล้วให้รู้เรื่องให้รู้วิธีปฏิบัติให้รู้วิธีพูดครับตอนนี้มาถึงนี่ผมรู้วิปัสสนูตอนผมเป็นตอนตอนตกแรงครับผมรู้ที่ผมเป็นตอนกลางวันวันผมรู้วิปัสสนูครับแต่จินตญาณผมยังไม่รู้ ผมยังไม่รู้วิปลาสผมยังไม่รู้ตอนนี้ผมรู้วิปัสนูดีครับนี้ผมรู้จักว่าควรมเป็นพระอริยบุคคลพระโสดามาัชพระโสดาผลพระสักิทาคามิมัชพระสกิท า, าคามิผลผมเข้าใจจริงๆเรื่องนี้มันเลยไปสมไปถูกต้องเอากับตำรับตาราที่ครูบาอาจารย์เขียนเอาไว้ว่าศีลเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหยาบ สมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิริอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิรลสอย่างละเอียดแต่เรากำจัดไม่ได้ครับตอนนั้นพูดคมจริงผมสู้บุหรี่ครับผมยังดูบุหรี่ผมเลิกเลยผมรู้เรื่องสมมติเรื่องวิปัสนาผมรู้วันนั้นนะผมเลิกจริงๆครับรู้เรื่องวิปัสนาเลิกสิ่งเสรติดมืน่นเมาที่คมชั่วนีผมไม่ยอมทำจริงๆครับ